ในอดีตการมีสมสหายคือนกกระทาลิงช้างอาศัยต้นไซใหญ่ต้นหนึ่งอยู่ในหิมมวันตประเทศต้นไซจึงเสมือนบ้านของทั้งสแต่ทั้งสมสหายนั้นเป็นผู้ไม่เคารพกันไม่ยำเกรงกันมีความประพฤติเข้ากันไม่ได้ฟังดูให้ดีนะเนื้อเรื่องเนี่ยบอกว่าสมสหายนะคือเป็นสหายกันใช่ห สัตว์ทั้งสามตัวนี้เป็นสหายกันแต่เข้ากันไม่ได้ฟังแล้วมันแปลกๆนะี่จริงสหายกันนี่มันน่าจะเข้ากันได้ใช่ไหมฮะแต่ความเป็นจริงนี่ไงอาตมาถึงจะบอกว่าความเป็นจริงเนี่ยแม้เป็นสหายกันแต่บางทีเข้ากันไม่ได้จริง อ, อยู่ด้วยกันได้ก็เหมือนพวกเราหลายๆคนอยู่ด้วยกันได้แต่อย่าเยียมมากนัก น, นะ ย้ำมามากนักแล้วก็ฉันไม่ยอมนั่นแหละอยู่ด้วยกันได้เพราะฉะนั้นให้ให้ให้สังเกตดูว่าอยู่ด้วยกันทำงานด้วยกันแต่บางทีเนี่ยท่านใช้คาว่าไม่ได้เคารพกันดูนะไม่เคารพกันเนี่ยอาจจะใช้อีกคำหนึ่งว่าไม่ได้ศรัทธากันแต่ทำงานด้วยกันได้นะเอาแกก็ทำหน้าที่แกไปฉันก็จะทำหน้าที่ฉันนะทำด้วยกันได้แต่ว่าไม่ได้เคารพ ไม่ได้ศรัทธากันหรือใช้อีกคำหนึ่งว่าไม่ยำเกรงเาจมาขอพูดง่ายๆว่าไม่ยำเกรงนี่หมายถึงว่าถ้ามีอะไรขึ้นมาเนี่ยใช่ไหมเอาเลยพร้อมที่จะสัตดจะยุบตุกตับเลยละ่ะนะหรืออีกอย่างก็คือว่าไม่เกรงใจใช้ภาษยยาง่ายๆคือไม่เกรงใจเพรา ะ, ะการอยู่ร่วมกันอย่างเข้ากันได้เนี่ยจะต้องมีความเคารพมีความยำเกรงถึงจะเข้ากันได้ ถ้าไม่มีความเคารพไม่มีความให้เกียรติกันนะไม่มีการที่จะแบบว่าเออยกให้นาะนี่เป็นพันเตใช่ไหมนีเป็นผู้ที่มาก่อนเราแม่อายุเขาจะน้อยกว่าเราก็ตามอะไรเงี้ยคือต้องมีสิ่งที่ยกให้ถ้ามีสิ่งที่ยกให้เงี้ยให้เกียรติกันแล้วมันจะเกิดความเกลียใจเกิดการที่บางทีแม้ว่าถกเถียงกันหรือว่าความคิดเห็นขัดแย้งกันก็เอาเอ า, เอายอมให้เขาก็แล้วกันเพราะว่าเขามาก่อนเรา หรือว่าเขาบวชก่อนเราอะไรอย่างเงี้ยเราก็เอาก็ยกให้ก็แล้วกันถ้ามีอย่างเงี้ยมันทําให้ยอมได้เพราะความเป็นจริงแล้วเวลาบางทีทะเลาะกันหรือว่าเถียงกันทุกคนมีเหตุผลแล้วก็สังคิตว่าเหตุผลของตัเองถูกด้วยเพราะถ้าเอาแค่เหตุผลอย่างเดียวนะบางทีจบไม่ลงหรอกเอาจริงจริงปัญหาเนี่ยบางทีเอาแค่เหตุผลอย่างเดียวจบไม่ลงใช่ไหมเพราะว่าเขาก็ว่าเหตุผลก็ถูกเราก็ว่าเหตุผลเราถูกอะ ถ้าเอากันแค่เหตุผลอย่างเดียวบางทีโลกแตกเลยโลกพังไปเลยพอาะ้บางทีนี่ต้องต้องยกให้กันบ้างเพราะพอยกให้กันได้เนี่ยมันก็จะเกิดอาการยอมนะลดอัตามานะจะเกิดขึ้นด้วยเหตุนี้สหายทั้งสามนั้นจึงได้มีความคิดดังนี้ว่าการที่เราทั้งหลายอยู่กันอย่างอย่างนี้ไม่สมควรเลยทําให้ทะเลาะไม่ยอมกันเสมอ ถ้าอะไรพวกเราควรหาข้อยุติด้วยการเคารพให้เกียรติแก่ผู้มีอายุมากกว่าเถิดนะก็มีความคิดอันนี้ขึ้นมาว่าเออควรจะหาทางออกนะถ้าไม่หาทางออกเอาวิธีมาแก้สักวิธีหนึ่งนี่แย่แน่เลยก็ทะเลาะกันอยู่ล่ําไปนะไม่จบไม่สิน้น ท, ทั้ทีมันจริงๆแล้วอยู่ด้วยกันก็จริงแต่มันไม่มีความสุข ไม่มีความเบิกบานในธรรมเลยไม่มีทางเพราะว่าอยู่กันไปแล้วก็ละหองละแหงอยู่กันไปแล้วก็บางทีอะไรอะ่ะทำงานก็ไม่คุยกันเลยนะมองหน้ากันก็หน้าบึ้งตึงหนะหรือมองกันทีก็เขี่ยงคอนเขี่ยงคอนคือก็คอก้อยังไปขวับกันมาอะไรอย่างเงี้ยนะเขี่ยงคอนคือคือเวลาบางทีถามอะไรอย่างเงี้ยใช่ั้มคนนั้นถามมาคนนี้ก็ แม่พูดกระแทกกระทันกลับไปอย่างเงี้ยคือคือจะให้เห็นได้เลยว่าอยู่กันแบบเหมือนกับไม่มีน้ำใจหรือว่าไม่ผาสุกไม่อะไรอะ่ะไม่เอื้ออาทรกันอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็เลยบอกว่าโอโหอยู่อย่างนี้แย่แน่แน่เพราะนันก็เลยมีการคิดขึ้นมาว่าต้องหาคอยุติให้ได้ในการที่จะอยู่ร่วมกันอย่างผาสุกนะเพราะนั้นก็เลยออกอุบายมาว่าเอาอย่างนี้ ผู้ที่จะสงบเรื่องได้หรือว่าจะตัดสินได้เนี่ยจะยกให้กับผู้ที่มีอายุมากกว่าอันนี้แบบโลกโลกนะแตบบ่ว่าให้ผู้ที่มีอายุมากกว่าบอกแล้วนะอันนี้ทางโลกถ้าทางธรรมเนี่ยผู้ที่มีอายุมากกว่าคือผู้ที่บวชก่อนหรือถ้าเป็นฆราวาสเนี่ยก็ถือว่าผู้ที่ปฏิบัติธรรมมาก่อนนะเราก็ยกให้คนนั้นดังนั้น ทั้งสมสหายจึงต่างระลึกย้อนทบทวนอดีตของตนโดยอาศัยต้นไทรใหญ่ที่นั่งพักกันอยู่นั้นเป็นหลักฐานในการตรวจสอบอายุก็ไม่รู้จะตรวจสอบยังไงเพราะว่าแต่ละคนถ้าจะถามอะไม่ได้ไม่จะจดไม่จะจำอะใช่ไหมเนี่ยมีอะไรมีนกกระทามีลิงมีช้างก็ไม่จะจดจําว่ามันจะยังไงกี่ปีอะไรมาก็เลยอาศัย อาศัยต้นไม้อาศัยต้นไทรที่ตัวเองพักกันอยู่สมมุติว่านี่คือต้นไทร <iPh>. <findings> นะพักกันอยู่เนี่ยวันจะเอาหลักของต้นไทรเนี่ยคือจะเปรียบจากอายุของต้นไทรว่าว่าเออจะได้รู้อายุของพวกตัวเองเนี่ยว่าใครมีอายุมากน้อยกับกันเพราะคือต้องหาตัวกลางขึ้นมาตัวหนึง่งถ้าไม่ไม่มีตัวกลางขึ้นมาตัวหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวทะเลเาะกันอีกอยู่ดีเพราะต้องมีตัวกลางขึ้นมาตัวหนึ่งที่จะมาเปรียบว่า เออสสหายนี่ใครกันแน่มีอายุมากกว่ากันนกกระทาและลิงจึงถามช้างว่าดูก่อนช้างผู้สหายท่านรู้จักต้นไซนี้ตั้งแต่เวลาไหนกันช้างนั้นกล่าวว่าดูก่อนสหายทั้งหลายในเวลาที่เป็นลูกช้างรุ่นเป็นลูกช้างนะออบอกว่าเนี่ยสมัยท่านยังเป็นลูกช้างอยู่เนี่ยพุ่มต้นไซนี้ เราเดินข้ามเล่นในระหว่างขาอ่อนเท่านั้นเวลาที่เรายืนคร่อมอยู่ยอดของมันแค่ระท้องเราเมื่อเป็นอย่างนี้เราจึงรู้จักต้นไทรนี้ตั้งแต่เวลาที่ต้นไทร ย, ยังเป็นพุ่มอยู่เราสมมติสมมติลูกช้างจะตัวสูงสักแค่ไหนสูงสักแค่นี้ใช่ไมสักสักเมตรหนึ่งใช่ไหมลูกช้างลูกช้าง นะครึ่งเมตรเองเหรอลูกช้างอะ่ะลูกช้างเอาเอ า, เอาลูกช้างถ้าแค่นี้แค่นี้เมตรหนึงได้นะเอาแค่นี้พอเหรอลูกช้างแค่ไงอา้ <laughs> อาวสมมุติก็แล้วกันว่าเนี่ยแหละลูกช้างตัวแค่นี้นะอเอาละเสร็จแล้ว เอาล้เอาตัวแค่ไหนก็แถวแต่ะเอาประมาณนี้แหละนะเสร็จแล้วตอนนี้ท้องอ่ะบอก ใ, ใช่ไหมท้องช้างเนี่ยเอาต่ำลงมาสักแค่นี้อ่าสมมุติว่าท้องสูงสูงจากพื้นดินสักศอกหนึ่งเอาไหวไหมเนี่ยสักศอกหนึ่งเอานะาสมมุติก็แล้วกันเรียกว่าบอกว่าเนี่ยช้างนี่ก็บอกเลยบอกว่าเนี่ยและมาเดินเล่นขําต้นไทรเนี่ยสแสดงว่าต้นไทรเนี่ยสูงแค่ประมาณสักศอกเดียวเองไงใช่ไหม อบอกว่าเนี่ยแหละเดินข้ามเล่นเลยยอต้นไทรเนี่ยอะไรอะจักระจีทองอยู่นะละทองเนี่ยคือว่าแค่จักระจีทองเล่นได้เท่านั้นเองแม่ก็บอกว่าเนี่ยแหละอายุเราเนี่ยถ้าเทียบกับอายุของต้นไทรแล้วเนี่ยนะนี่นี่คือจะเทียบหาว่าใครแก่กว่าเท่านั้นแต่อายุจริงๆไม่รู้นะเพียงแต่จะรู้ว่าใครอายุแก่กว่ากันเท่านั้นเอง ก็เปรียบว่าเนี่ยถ้าเปรียบกับอายุของต้นไซเนี่ยก็ต้นไซอายุสูงแค่นี้แหละสูงสูงสักสอกหนึ่งสหายแม่ทั้งสองจึงถามลิงบ้างลิงนั้นกล่าวว่าสหายทั้งหลายตอนที่เราเป็นลูกลิงนี่ก็ลูกเหมือนกันนะตะกี้บอกว่าลูกช้างใช่ไหมอ๋อก็นั่นเล่นลูกช้างอ่ะเพราะฉะนั้นเปรียบเนี่ยมันต้องเปรียบให้ใคล้ายๆกันใช่ไมไม่ใช่บอกว่า เปียบบอกว่าแม้ตอนที่เราเป็นพ่อช้างเสร็จแล้วนี่นเปียบบอกว่าลูกลิงโอ้โหมันมันห่างกันเกินไปอย่างนี้เราจะคำนวณอายุไม่ได้ถ้าอย่างนี้เ <_ c oughs> ข้าใจไม้มเพราะว่าเวลามันห่างกันมากเพราะันต้องเปรียบอายุที่มันมันจะต้องมีมาตรฐานไงที่มาถึงบอกคราวนี้นี่กับบอกว่าสมัยที่เราเป็นลูกลิงนั่งอยู่ที่พื้นดินไม่ต้องชะเง้อคอเลย ก็เคี้ยวกินหน่อของไซอ่อนนี้ได้เมื่อเป็นอย่างนี้เราจึงรู้จักต้นไซนี้ตั้งแต่เวลายังเป็นต้นเล็กๆอยู่เลยคิดดูลิงตัวสัาแค่ไหนอ้าวตอนนี้ลูกลิงจะเหลือตัวสัาแค่ไหนลูกลิงฮะสมมติสมม ต, มมติเอาสักกี่นิ้วดีลูกลิงสักคืบอย่างนี้เหรออ้าวสักคืบอย่างนี้นะเออประมาณสักหนิ้วอ่ะ นะคิดดูนะลิงเนี่ยบอกว่าสมัยที่เป็นลูกลิงอยู่เนี่ยนะไม่ต้องไม่ต้องยืดคอเลยนะบอกว่าไม่ต้องชะเง้อคอแสดงว่าคอธรรมดาเนี่ยไม่ต้องคอยืดคอยาวเลยบอกว่าขนาดไม่ต้องคอยืดคอยาวนี่นะยังกินหน่ออ่อนของของต้นไทรเนี่ยได้อย่างสบายสบายเลยเคี้ยวเล่นสแสดงว่าลิงเนี่ยถ้าเปรียบกับต้นไทรเนี่ยมีอายุ ตั้งแต่ต้นต้นไซนี่มีอายุคแค่สูงแค่สักหกเออสักคืบหนึ่งเองใช่ไหมอ่าก็นั่นแหละก็แค่ประมาณสักคืบเดียวเองสูงขึ้นมาแต่ล่ากี้นี้ช้างบอกว่าตัวเองเนี่ยมาเจอต้นไซนี่ใช่ไหมตั้งตั้งศอกแล้วไซสูงตั้งศอกแล้ว ท่านี้สหายแม่ทั้งสองจึงถามนกกรทาบ้างนกกรทาจึงกล่าวว่าสหายทั้งหลายเมื่อก่อนต้นไทรใหญ่ได้มีอยู่ในที่ตรงโ น, น้นนะบอกว่าแต่ก่อนตรงเงี้ยไม่มีต้นไทรนะต้นไทรมีแต่ตรงโน้นเราไปกินผลของมันแล้วมาถ่ายอุจจาระลงในที่นี้เวลาผ่านไปผ่านไปต้นไทรนี้ จึงได้เกิดขึ้นมาได้เราจึงรู้จักต้นสายนี้ตั้งแต่มันยังไม่เกิดเพราะฉะนั้นเราจึงเป็นผู้แก่กว่าท่านทั้งหลายโดยกำเนิดเอาเหตุผลเหตุผลเพียงพอป่อามันก็ต้องจริงด้วยใช่ไหมแสดงว่านกที่ต้องมีอายุกแก่กว่าทั้งลิงทั้งช้างถูกหรือป่ะถูกไหมา อา้าวก็นั่นแหละนะวันนี้เขาเปรียบไงเขาเปรียบใช่ไหมว่าถ้าถ้าจะดูว่าสามศาตร์ ส, สามสหายเนี่ยนะจะมีอายุสักเท่าไหร่เนี่ยใช่ไหมถ้าเปรียบตามเนี้ก็แสดงว่าถูกต้องใช่ไหมเพราะว่านกนี่โอโ้โหไม่รู้ตั้งแต่เป็นลูกนกหรือเปล่าก็ไม่รู้ <laughs> <laughs> นะแล้วก็ไปกินต้นไทรใช่ไหมแล้วก็มาถ่ายไว้ตรงนี้เพราะฉะนั้นน่ะ จะต้องอย่า ง, งน้อจะต้องมีอายุมากกว่าลูกลิงจะต้องมีอายุมากกว่าลูกช้างแน่ใช่หมถ้าถ้านกกระทาเนี่ยสมัยเมื่อยังเป็นลูกนกเอ้าก็เป็นลูกนกลูกนกกระบินได้นะอ า, อาจจะเป็นลูกอาจจะเป็นนกกระทาที่อายุยืนมากก็ได้ อาเราจะไปรู้ได้ไงนะ mm hmm. อันนี้มันเป็นชาดกนะอะไรนะอันนี้ขอยอมรับว่าไม่มีความรู้ว่าไซนี่มันจะอายุสักเท่าไหร่สูงสูงประมาณสักคืบนึงนี่กี่ปีนะสูงสักสอกนี่กี่ปีอะไรเงี้ยต้นไซต้นไซโตวไวเปล่าละ่ะมันอาจจะได้เอก็ได้ใคร สมัยก่อนดินอาจจะดีดินอาจจะดีใช่ไหมดินไม่เหมือนเดี๋ยวนี้อ่อาจจะโตไวอ่ะ <c oughs> เอาละเขาก็แหมสมมุติให้ฟังะนะเราก็รู้แล้วว่าวิธีการพิสูจน์อย่างนี้ก็รู้ได้ว่าใครอายุมากกว่ากันเมื่อนกกรทากล่าวอย่างนี้ลิงและช้างจึงกล่าวกับนกกรทาว่าสหายท่านเป็นผู้แก่กว่าเราทั้งหลาย ดังนั้นนับตั้งแต่นี้ไปก็ตามตกลงะนะพวกเราจะยอมกระทําศักระการเคารพการนับถือการไหว้การบูชาและการอธิวาสการลุกรับการอัญเชริกรรมสามีจิกรรมแก่ท่านและจะเชื่อฟังอยู่ในคําสอนของท่านแล้วท่านพึงให้การอบรมสั่งสอนแก่เราทั้งหลายเถิดก็ยอมรับ นะพอตกลงกันแล้วเนี่ยว่าถ้าใครแก่กว่าก็จะเคารพคนที่แก่กว่ามันก็ยอมเคารพตั้งแต่นั้นมานกกรทาได้กลายเป็นพี่ใหญ่เป็นพี่เอยและเป็นพี่เต้ยแล้วสอนลิงและช้างให้ตั้งอยู่ในศีลแม้ตนเองก็ร่วมสมาทานศีลด้วยแสดงว่าก่อนหน้านี้เป็นยังไงก่อนหน้านี้เป็นยังไง ก่อนหน้านี้ไม่ได้ถือศีล น, นะก็ไม่รู้นะศีลของของสามสัตว์นี่จะเป็นยังไงไม่รู้นะศีลแปลว่ากฎแปลว่าระเบียบศีลแปลว่ากฎแปลว่าระเบียบนะวันแสดงว่าแต่ก่อนเนี่ยที่ทะเลาะกันเนี่ยเพราะเพราะไม่มีการตั้งกฎไม่มีการตั้งระเบียบที่จะเคารพผู้ที่แก่กว่าใช่ไหมก็คือ แต่ก่อนนี้ทะเลาะกันเพ่อไม่มีศีลเมื่อมีศีลเกิดขึ้นแล้วก็เคารพในกฎในระเบียบนั้นในศีลนั้นในข้อที่ตกลงกันนั้นทําให้เห็นไมยุติข้อทะเลาะเบาะแวงกันได้ทําให้ยอมกันได้ทําให้เคารพกันได้อ่อนน้อมต่อกันได้เมื่อทั้งสมนั้นตั้งอยู่ในศีลความเคารพยำเกรงก็เกิดขึ้นมีความประพฤติเข้ากันและกันได้ ในเวลาสิ้นชีวิตได้เป็นผู้มีเทวโรคเป็นที่ไปในเบื้องหน้าพระาศาสดาตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ชื่อว่าสัตว์เดรฉานเหล่านั้นยังรู้จักสแสวงหาวิธีทำให้เกิดมีความเคารพมีความยำเกรงกันและกันฝ่ายเธอทั้งหลายก็บวชในพระธรรมวินันที่เรากล่าวดีแล้วอย่างนี้เพราะเหตุไรเล่าจึงจะไม่เคารพยำเกรงกันและกัน นับตั้งแต่นี้ไปเราอนุญาตการอภิวาทการลุกรับการอัญเชริกรรมสามีจิกรรมตามผู้ที่แก่กว่าอาสนะอันเลิศน้ำอันเลิศก้อนข้าวอันเลิศตามผู้ที่แก่กว่าตั้งแต่นี้ไปผู้ใหม่กว่าไม่พึงหวงห้ามอาสนะต่อผู้แก่กว่าภิกษุใดห้ามภิกษุนั้นต้องอาบัตทุกกฎ ด, ดังนี้บัญญัติเลย พุทเจ้บัญญัติเลยว่านับตั้งแต่นั้นนะ่ะนะผู้ที่เป็นอาวุโสนะจะต้องอ่อนน้อมจะต้องเคารพจะต้องยำเกรงในพันเตถ้าใครไม่อ่อนน้อมไม่เคารพไม่ยำเกรงพันเตแสดงว่าทำอาบัตินะมีความผิดแต่ความผิดแค่ขั้นทุกกฎนะเป็นความผิดสถานเบาไม่ใช่เป็นความผิดสถานหนัก แต่ถือว่าเป็นความผิดท่านบัญญัติเลยเั้นผู้ที่วบวช ท, ที่หลังเนี่ยคือผู้ผู้ที่ยังบวชใหม่บวช ท, ที่หลังกว่านะก็จะต้องนี่แหละบางทีไปไหนเนี่ยก็ควรที่จะอ่าอะไรจัดสถานที่นะเตรียมน้ําเตรียมอะไรให้กับพันเตครั้นสรงสแสดงธรรมเทศนานี้มาแลอย่างนี้แล้วจึงตรัสว่า นรชนเหล่าใดฉลาดในธรรมย่อมนอบน้อมต่อคนผู้แก่กว่านรชนเหล่านั้นเป็นผู้ได้รับความสรรเสริญในปัจจุบันนี้และมีสุคติเป็นที่ไปในเบื้องหน้าพระศาสดาตรัดคุณของการอ่อนน้อมต่อผู้เจริญกว่าอย่างนี้แล้วทรงเฉลยชาดกว่าช้างผู้ประเสริฐในการนั้นได้เป็นพระโมกคารณะในบัดนี้ลิงในการนั้น ได้เป็นภาษารีบุตรในบัดนี้ส่วนนกกทาผู้เป็นบัณฑิตในการนั้นได้เป็นเราตถาคตเองนี่กระจบชาดก ต, ติระชาดกนะความอ่อนน้อมหรือว่าความนอบน้อมนะหรือว่าความเคารพยำเกง่งพระเจ้าท่านตัดคารวะ6เอาไว้ความเคารพยำเก่งเนี่ยไว้6อย่างนะสําหรับภิกษุเนี่ยท่านตัดเอาไว้6อย่าง ใครจำได้บ้างความเคารพยำเก่งความนอบน้อมหนึ่งเคารพนอบน้อมนอบน้อมถึงพระพุทธเจ้าสองเคารพนอบน้อมถึงพระธรรมสามเคารพนอบน้อมถึงพระสงฆ์สี่เคารพนอบน้อมถึงการศึกษามันสข้อแรกไม่มีปัญหาแต่พอข้อที่4นี้ให้รู้นะ วนใครที่ไม่เคารพไม่นอบน้อมไม่นำน้อมนี่คือไม่ทุ่มใจไม่เทใจให้กับการที่เราจะพัฒนาตัวเองการศึกษานี่คือการพัฒนาตัวเองขึ้นไปวันใครไม่เคารพใครไม่นอบน้อมไม่ทุ่มเทใจนะไม่สนใจไม่ใฝ่ใจในการที่จะพัฒนาตัวเองแล้วคนนั้นเสื่อมต่ำคนนั้นตกต่ำวันพระพุเจ้าถึงบอกว่าเนี่ยสิ่งเหล่านี้แม้แต่การศึกษาเนี่ย เป็นสิ่งที่จะต้องให้ความเคารพให้ความนอบน้อมนะคนนั้นถึงจ ะ, จะเจริญได้เอาหานะเคารพนอบน้อมถึงความไม่ประมาท 6. เคารพนอบน้อมถึงการปฏิสันฐานแปลกนะข้อที่6เนี่เอาความไม่ประมาทก็ไม่เท่าไหร่การศึกษาก็เออพอเข้าใจได้แต่ไม่เคารพในการปฏิสันฐานฟังแล้วยังไงยังไง ไม่มจำเป็นมากปฏิสันฐานนะจำเป็ น, านาามากจำเป็นยังไงฮะก็เห็นบางทีทำงานไม่เห็นต้องพูดคุยไม่เห็นจะต้องไปทักทายไม่เห็นจะต้องอะไรเลยมันจำเป็นแค่ไหนกันเออจริงๆแล้วเนี่ยนะการปฏิสันฐานไม่มิไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องปฏิสันฐานคาว่า ไม่ไม่จำเป็นจะต้องปฏิสันทานกับคนมาใหม่เท่านั้นไม่ไม่จาเป็นเลยแม้แต่คนเก่าก็ต้องปฏิสันทานเพราะจุดเป้าจริงๆของการปฏิสันถานคือใช่การสร้างความอ่อนน้อมด้วยนะได้อีกความสาคัญคือการสร้างความสามัคคีนั่นเองเพราะอะไรเพราะว่าถ้ามันอยู่กันโดยชนิดที่เรียกว่าอะไรอ่ะตัวใครตัวมัน นะไ ม, ไ, มไม่ค่อยได้มีการทักทายไม่ค่อยจะมีการพูดคุยสนท น, นากันยากยากที่จะเข้าใจกันได้ยากที่จะอาภัยให้กันนะยากที่จะรู้ใจกันยากที่จ ะ, ะแก้ไขปัญหาด้วยเพราะบางทีมีปัญหาอะไรขึ้นมาต่างคนต่างจะคิดใช่ไหมพอคิดเสร็จสรุปเสร็จแล้วก็จบคือไม่พอใจก็ไม่พอใจนะไม่ ไม่ทันใจเมื่อไหรไม่ถูกใจเมื่อไหรก็จะด่าก็ด่าไปเลยอะไรอย่างเงี้ยมันถึงแก้ปัญหาไม่ได้เพราะการปฏิสันถานี่คื อ, ค, อคือการทักทายคือการพูดคุยกันเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาด้วยนะแก้ไขปัญหาเก่าแล้วก็เพื่อที่จะสร้างความเข้าใจทําให้ปัญหาใหม่ที่จะเกิดขึ้นเนี่ยบรรเทาลงหรือว่าลดลง เพรการที่เราปฏิสันถา์กันเนี่ยจะสร้างความมีน้ําใจสร้างความเอือ้อเฟื้อนะเจอกันบางทีแม้ไม่ได้พูดเนี่ยทักทายก็เออก็ยิ้มแย้มก็เป็นการทักทายเพราะแค่บางคนเนี่ยนะโกรธและแค่บางทีเดินไปหน่อยแม้แต่จะมายังเคยโดนว่าเลยเดินไปหน่อยบางทีก็แค่เออลืมยิ้มให้หน่อยเดียวบอโอ้โหนี้ท่านดูสิมองยังไม่มองเลยบางทีเราก็คิดอะไรทั้งเราอยู่เงี่ย ดูที่มองก็ไม่มองนะมองแล้วก็ไม่ยิ้มโอ้โหเอาเรื่องนะแค่นี้เอาเรื่องอสรุปเลยนะเขาสรุปเสร็จเลยว่าเนี่ยแสดงว่าเหยียดเขาผักเขาหรือว่าไม่ชอบใจเขาท่านมาบอกโอคุณฟุ้งซ่านมากไปคุณฟุ้งซ่านเกินไปแล้วนะ้แหมทักทายก็ถูกนะว่าทักทายมันก็ดีหรอกแต่บางทีแหมเราก็มัน เผลอบางก็มีอะไรอย่างเงี้ยน้ำมันพลาดบางก็มีเพราะนั้นจริงแม้ว่าการปฏิสันฐานเนี่ยเป็นสิ่งสาคัญที่สุดก็จริงแต่ไม่ใช่ว่าเราก็ไปยึดตายตัวเลยจนกระทั่งจะมาเอาไปเอาตายถ้าบุคคลเขาลืมปฏิสันฐานเราเพรหวนอยากขี้น้อยใจเกินไปหรือว่าอย่าแบบว่าจะมีความสุขได้ต่อเมื่อมีคนมาปฏิสันถานเรานะจริงๆแล้วพระเจ้าก็ บ, บอกตรงข้ามอุปนิสัยอย่างหนึ่งของพระเจ้าคือ จะต้องปฏิสันฐานก่อนนี่คืออุปนิสัยเลยอัจชชาสัยใสของผู้ธเจ้าเลย Thank you.